รูปธรรมก็สังขารนามธรทำจิตก็สังขารเนี่ยจิตที่นอกเหนือไปจากพระนิพพานเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสังขารคือส่วนประกอบสิ่งที่ไม่เป็นหนึ่งเดียวสิ่งนั้นแหละที่เรียกว่าสิ่งมีส่วนประกอบสิ่งที่เป็นกองสังขารขึ้นชื่อว่ากองสังขารและมีการเปลี่ยนแปลงเราดูไปภายในจิตของเราเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เปลี่ยนแปลงทุกขณะจิตเปลี่ยนแปลงจนเราตามมันไม่ทันสติปัญญาตามไม่ทันจิตคือผู้รู้เพราะผู้รู้มก็เป็นธาตุที่สรนติว่ตธาตุรู้ธาตุรู้หรือมโนธาตุมโนธาตุธาตุรู้เป็นนามธรรมเป็นนามธรรมธาตุรู้นิมิตของมีอยู่ดั่งเดิมในโลก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 พันามาตั้งแต่กับการโพเรชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้อันนี้คือไม่รู้อย่างหนึ่งไม่รู้อีกอย่างหนึ่งก็คือหลงลืมโมหะความหลงความลืมความไม่รู้เท่าทันกองสังขารคือตัวโมหะนี่ความหลงความลืมคือความไม่รู้อวิชชาไม่รู้ไม่รู้การชาระสังขา น, นี้ให้เป็นวิสังขารคือไม่มีส่วนประกอบ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 เมื่อความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้ก็ดับความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้ก็ดับท่านจึงใ ห, พใหพใ้พัฒนาให้เกิดวิชาตัวพัฒนาตัวปัจจัยพัฒนายเกิดวิชาก็คือสติคือสัมผัสัญญาอันเองสติคือสัมผชัญญะคือขณะของจิตที่ชัดเจนที่สุดในขณะหนึ่งในขณะหนึ่งหนึ่งในจิตของเราเราย้อนมาดูซิขณะไหนที่เรามีเจิตจานงเต็มแรพร่รเปอร์เซ็นต์เฉพาะหน้าเรานั่นแหละ นั่นแหละคือตัวความรู้คือตัวความเด่นมันจะมีเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะแต่ถ้าหากเราขาดการดํารงขาดการต่อนเนื่องเนี่มันก็แวบไปแล้วแหะมันดึงไปอย่างนึนแล้วดารงให้อยูนะ่ในอารมณ์มันเดียวแวบมันดึงไปอย่างนะึงแล้วแวบไปดึงไปอย่างนึงแล้วเราดูไปไม่ยากเราก็ดูได้เรานั่งภาวนาเราดูไปไม่ยากนอกจากเราทําเราดัดกันจนเชื่องจนชินจนอยู่หมัดแหละ คือจิตสงบจิตมีสมาธิจิตตั้งมั่นจิตมีกำลังนั่นถึงจะถึงจะถือว่าดัดได้ดัดไอาเจ้าตัวโมหานั้นได้ที่มันคอยดึงจิตไปใช้อย่างอื่นขโมยดึงจิตไปใช้อย่างอื่นแทนที่จิตของเราจะอยู่สว่างรู้ตลอดสติสัสมปชัญญะเนี่ยแน่นิ่งรู้ตลอดเนี่ยมันมันไม่อยู่เป็นอนวฝึกหัดดัดกันจน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 ความดิ้นรนความทะยานของจิตนั่นเป็นตัวผลักดันเป็นตัวผลักดันเป็นเหตุปัจจัยภายในของมันที่มันผลักดันตัววิชานั่นตัวที่ผลักดันก็คือจิตดิ้นรนจิตทะเยอทะยานอยากอยากไม่มีที่จบอยากไม่มีจุดจบอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินอยากได้ฟังอยากดมดมกลิ่นดมก ล, ลิ่นลิ้ลลมรสสัมผัสอยากทบฏเถื่ออยากรู้อยา ก, ก ager, fon, หเห็นอยาก สัมผัสอยากเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เปลอะเปรอวาดมโนภาพสารพัดเพื่อที่จะได้ประสบพบเห็นอย่างนั้นประสบพบเห็นอย่างนี้วาดมโนภาพอย่างนั้นวาดมโนภาพอย่างนี้นี่คือความดิ้นซ่านของมันไม่รู้จุดหยุดตัวดันตัวตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวเดียวเป็นตัวดึงเป็นตัวดันเป็นตัวผลักออกมาพร้อมกับขณะของจิตแต่ละขณะขณะขณะนี่คือความอยากคือตัณหา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 เพราะฉะนั้นเราจะชะล้างสิ่งที่ปนเปื้อนเหล่านั้นได้เราจะต้องดำรงผู้รู้นี่แหละให้โร่ให้มีความสว่างร่ไม่ให้มีความมืดมาคลุมจิตดวงนั้นเวลามาแสดงบทบาทอะไรมาใ น, มนเมื่อเราร่อยู่มันก็เป็นไปตามใจที่เราคาดเราเดาดำริ จิตได้รับความสงบให้จิตให้จิตได้รับความรู้ให้จิตได้เข้าถึงหลักสักจจะสัจธรรมไม่งั้นพาหนึปาคิดไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างอื่นไปนี่จึงเป็นเหตุต้องฝึกต้องฝืน ต, ต้องอ บ, ต, องอบต้องรมผู้รู้เหล่านี้ด้วยเหตุที่เราไม่รู้ว่ามันก่อพิดก่อภัยก่อทุกข์ก่อโทษเป็นเหตุให้เราทุกข์เป็นเหตุให้เราเดือดร้อน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 เห็นแต่เครือมันอยู่บนดินนะ่ยตัวมันมันเป็นรากเป็นเง่าฟังอยู่ในดินนะนะั่นแหะมันก่อรกก่อรากมานั่นนะคือตัวอวิชชานะนะี่ยแหละอวิชชาคือตัณหาตัณหาคืออวิชชาอวิชชาคือกิเลสกิเลสก็คืออวิชชากิเลสก็คือตัณหาตัณหาคือกิเลสรวมลงแล้วก็คือสิ่งทําให้ใจสร้างมองทั้งหมดเป็นไฟก่อกวนเป็นไฟ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 ถ้าเราหันมากําหนดจดจ่อดูนี่แหละคือของจริงที่เราควรศึกษาอเราศึกษาสิ่งเหล่านี้นี่แหละศึกษาปัตจัยพดกจริงแหละของจริงที่เราคลุกคลีตีมองอยู่ด้วยกันนี่แหละสายเกิดปัจจัย เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะอายตนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดผัสสะเห็นไหมผัสสะคือการสัมผัสผัสสะแปลว่าการสัมผัสตาไปเห็นรูปท่านก็เรียกว่าจักรคู่สัมผัสโอ้ไปได้ยินเสียงท่านเรียกว่าโสตสัมผัสจมูกลิ้นกายไปไปกระทบก็เป็นกายสัมผัสใจน้อมนึกอารมณ์ข้างในท่านก็เรียก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 ตามหลักท่เรียกว่าสุขเวทนาทุกเวทนาสุขเวท น, นาเวทนาแปลว่าความเสมอแปลว่าแปลว่าการรับรู้การรับรู้การเสมอใจเสมอใจกินอารมณ์ใจกินอารมณ์นั้นนั้นเรียกว่าเสมอเวทนาคือการเสมออารมณ์สุขเวทนาทุกขเวทนากาย กายมีความสุขมีความเบามีความอ่อนนิ่มมีความอ่อนโยนสะดวกสบายเป็นสุขท่าเรียกสุขเข้าเวทนาถ้าใจมีความสุขถ้าเรียกว่าโสมนัสสวีธนาตามภาษาศัพท์เนเรยกโสมนัสสวทนาถ้ากายไม่สบายไม่คล่องตัวไม่พอดีหนาวเกินไปร้อนเกินไปทุกข์เกินไปเจ็บแค่ได้ป่วยเป็น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 คือกลางกลางอุเบกขาแปลว่าใจวางเฉยใจเป็นกลางกลางอุเบกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาก็คือไม่สุขจนเกินไปไม่ทุกขจนเกินไปเราก็เลยชี้ชัดไปที่ว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกก็ไม่ใช่เป็นอุเบกขาแต่อุเบกขาเพื่อที่จะเอียงซ้ายเพื่อที่จะเอียงขวาเพื่อที่จะเอียงไปสุขแล้วก็เพื่อที่เอียงไปทุกขถ้าเป็นทางใจก็เพื่อเพื่อที่จะเอียงไปโสมนัส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 หัดดูหั ด, ด, หดย้อนหัดนึกหัดคิดอยู่ข้างในนี่เราเราจะคล่องจะคล่องอยู่ในกายในใจของเราแต่ข้างนอกนั่นเป็นตำราเราศึกษาดูธรรมะบทนั่นธรรมะบทนี้เป็นยัางาน้นเป็นอย่างนี้ก็่อชี้มาข้างในชี้มาข้างในแล้วก็มาเกาะอยู่ข้างในมาพันกันอยู่ข้างในภาคปฏิบัติก็คือภาคที่เอา ม, มาพันกันอยู่ข้างในในใจของเราพันชะ ชะาเอ่ยล้างเอ่ยขัดเอ่ยสีเอ่ยจนเกิดความเป็นเงาเกิดความสว่างเกิดความรอบรู้เกิดความโรสว่างสวัยอยู่ข้างในไม่ถูอว่าวิชาคือความมืดความมืดความบอดมันเป็นกริยาอาการของตัวทำให้จิตที่เป็นมลทินที่เป็นเกลียดอาวิชาตันหาพ้นจากริด จ, จากเลด จ, จากอานาจของมันจิต ดวนั้นก็สว่างโรอจนถึงขั้นอกุปปธรรมแปลว่าไม่กําเริบทำถึงขั้นไหนถึงไม่กําเริบทําจนรู้ว่าหมดหมดจดโดยสิ้นเชิงไม่ไม่กำเริบรู้ว่าหมดทําจนรู้ว่าหมดรู้โดยตัวของตัวเองว่ามันหมดหมดจดไม่กําเริบราคะโทสะหมดจดไม่กําเริบ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 นี่คืองานงานที่พุทธิยถาท่านบอกท่านสอนมาตรงนี้ศึกษาสิ่งไร่ละล่อลลมสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้เกิดเห็นช่องเห็นทางเห็นแนวทางของมันพุทธิยถาไล่ต้อนขับต้อนไอ้พูดที่เป็นเสนียดอยู่ข้างในเนี่ยตัวอวิชชาตันหานกิริยาอาการของจิตตัวที่ดีดดิ่นพาให้เราก่อโกลกองทุกข์มาทับถมหัวใจของเราเนี่ยผู้ชาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจสิ่งเหล่านั้น ยามย้อนมาที่จิตของเราแล้วเราจะรอบรู้เราจะฉลาดย้อน ม, มาจืนก็นย้อนเข้ามาเดินนั่งนอนนึกคิดอย่างได้ยอย่างหนึ่งย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจะทําให้เราฉลาดข้างในรอบรู้ข้างในพิจารณาอยู่ข้างในมีโอกาสดูข้างนอกเราก็ดูเพื่อ ย, ย้อนเข้ามาข้างในมีมีโอกาสเห็นมีโอกาสได้ยินมีโอกาสสัมผัสข้างนอกเพื่อจะย้อนเข้ามาดูข้างในนะ พยายามนำรงความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ของใจไม่ให้ตันหามันผ่านรูปผาคลำเวทนาเนี่แหละเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานเนี่ยเกิดตันหาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตันหตันหานี่เป็นตันหาหมาเกิดความอยากเพิ่มเติมเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตันหาตันหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานแต่เวลามันเกิดแป๊บเดียวเนี่ยมันต้องมาไล่เป็นเส้นเป็นสายอกมันเกิดแป๊บเดียว ไล่เพื่อให้รู้ที่ไปที่มาของมันเวทนาเป็นกิเลสให้เกิดตัณหาเนะ่ยดีใจก็ตัณหาเสียใจก็ตัณหาตัณหามันพาดิ้นดิ้นผิดดิ้นถูกจนไม่รู้ความเป็นไปของมันว่ามันสักเท่าว่าเป็นอย่างนั้นมันสักเท่าว่าเป็นอย่างนั้นนั่นสัจธรรมของมันเป็นอย่างนั้นเองอยู่อย่างนั้นเองแต่ด้วยเหตุที่เราเข้าไม่ถึงสัจธรรมตัวนี้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 อย่างอีอย่างหนึ่งก็แสดงกิริยาของมันในทางชอบชอบแล้วก็ยึดเข้ามาไม่ชอบแล้วก็ผลักออกไปนั่นมันใช้พลังผลักออกไปไม่ชอบแต่ถ้ามันชอบแล้วพยายามดึงเข้ามาพยายามยึดเข้ามายึดยึดนึกนึกนึกคิดเนึอคิดเนึอคิดเนึอคิดก็เหมือนอย่างเราเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรแล้วเนี่ยนึกชอบแล้วก็พยายามกกยเข้ามาดึงเข้ามาลากเข้ามามากรองมาเก็บมาสะสมมาสั่งมาสม มาเก็บมาตุนมาอะไรต่ออะไรนี่ยคือชอบถ้าไม่ชอบเลยเป็นโกยทิง้งโกยทิ้งโกยทิ้งเอาไปเผาทิง้งเอาไปเผาทิ้งนี่คือมันอยากอันหนึ่งอยากโกยมาอันนึงอยากผลักออกไปนี่ถ้าปล่อยให้ตันหามันเกิดแล้วมันจะมีกิริยาอาการเหล่านั้นถ้าเห็นตาฮะถ้าเห็นสักดิทวาเห็นเห็นรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่โดยภาวะของเขาเองเห็นสักดิทวาเห็นตาเห็นรูป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 ไม่รู้จะไปตัดตรงไห น, นมารู้จะไปทอนตรงไห น, นมารู้จะอะไรคืออะไรเป็นอะไรมันมุ่นอยู่ในหัวใจเราไม่เคยสนใจเรื่องสมาธิไม่เคยสนใจเรื่องปัญญาไม่เคยสนใจเรื่องหลักของอัดของทำในหัวใจของเราไม่รู้ไม่เข้าใจนี่แหละอวิชชาบดบงังมืดตึบมืดตาใสนี่แหละมืดส ต, ติมืดปัญญาอืมเห็นอะไรก็ยึดไปหมดไม่เห็นมีไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจว่าสัจธรรมคืออะไร ภาวะหลับเหล่านั้นมันดำรงอยู่ตามภาวะของวันของมันใจเราเข้าถึงได้ไหมเข้าถึงมันละเอียดมากด้วยเหตุที่รใจเราเข้าถึงไม่ได้ใจเราไม่ละเอียดพอสมาธิขัดเกลารไม่พอปัญญาขัดเกลารไม่พอมันหยาบไม่ทันสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าไม่ทันมันดึงไปแล้วไม่ทันสัมผัสปั๊บมันดึงไปแล้วสัมผัสปั๊มันดึงไปแล้วตัณหา เป็นปจัจจัยเกิดอุปาทาน ย, ย, ย, ยืดยืดอุปาทานเป็นปจัจจัยเกิดพบพบเป็นให้ปจหัจจัยเกิดชาติแน่เดินตามหลังมันแล้วอดัมริดัมริหนักหนข้าวกัสนองตอบให้มันแล้วดัมริหนักหนข้าสนองตอบให้มันแล้วสนองตอบอย่างได้อย่างหนึ่งเป็นเรื่องผูกพันทําให้เกิดปัญหาเกิดปัญหาเกิดปัญหาที่จะต้องมันตามแก้อันนั้นเกิดมาโอ้มีปัญหาที่จะต้องแก้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 ตั้งใจจะแก้นั่นแหละแต่มันแก้ไม่เป็นแก้ไม่ถูกไม่รู้ที่ไปที่มาไม่รู้เงื่อนของมันอเรื่อเรื่อเรอดึงดึงดึงดึงเรือเแล้วก็ยุ่งไปหมดก็เมื่อเราไปรื้อไปกลุ่มได้ที่มันพันกันสอดโซนสอดสายสอดไปสอดมาดึงนู้นดึงนี้ดึงเกาะติดมันดึงถึงเธอไปหมดนี่คืออวิชามันปิดมันบังไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยมันแก้ไม่ถูก นอกจากวิชาที่กุทิเจ้าท่านสอนแล้วมันไม่มีวิชาใดวิชาอย่างอื่นที่อนุโลมเข้าในหลักสินสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นไปได้แต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วก็ไม่เด็เป็นเรื่องเสริมเสริมสิ่งเหล่านี้เสริมสิ่งเหล่านี้ให้มีกําลังให้มีพลังมากขึ้นเสริมความโลภให้ภูเพิ่มภูนทวีคูณมากขึ้นเสริมความโกรธให้รุนแรงยิ่งขึ้น อำนาจของกิเลสมีแต่เสริมกับเสริมเสริมราคาทันหาจนทำลายใบพวงค่าแกงวินาศสันโตรชิบหายใบพวงหมดเพื่อได้อย่างใจเพื่อได้สมใจขอยได้สนองขอยได้ตอบสนองขอยได้จังใจนี่คือต้นตอที่ไปที่มาของมันเราพิจารณาอยู่อย่างนี้นี่อยู่บนเส้นทางที่พระเจ้าท่านบอกท่านสอนท่านแนะนำ